กามสิบยิ่งใหญ่อย่างไรกรรมก็ยิ่งใหญ่อย่างนั้นกรรมในพุทธศาสนายิ่งใหญ่ไม่ได้ไม่แตกต่าง ก, ก, กันกับความเป็นพระเจ้าหรือก็ศ์ของชาวศาสนาเทวนิยมเขานับถือบูชาความยิ่งใหญ่นั้นๆกันเลยยิ่งกว่านั้นผู้สามารถรู้จักรู้แจ้ ง, ร, จงรู้จริงว่า กรร ม, มีทั้งกรรมที่เป็นโลกิยะและทั้งกรรมที่เป็นโลกุตระพุทธจึงสามารถแก้กรรมให้ตนเองพ้นมารพ้นชั่วพ้นความตกต่ำโดยเฉพาะพ้นทุกขะอาเรียสัตว์ได้ชนิดเด็ดขาดยั่งยืนไม่มีอะไรจะมาหักล้างอสังหีรัง ไม่กลับกรรมเริบอัสางกุปังเป็นนิรันด์ทําคนให้พ้นทุกข์าอาริยสัตว์ได้เพราะทํากรรมที่พาเกิดในโลกอาริยกรรมโยนิแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องของคนคนนั้นเองแท้ๆที่เขากระทาหรือเป็นกรรมของเขาเองเขาจึงสามารถมีตนอัตตาเป็นที่พึ่ง เป็นที่อาศัยของตนอัตติอัตโนนาโทได้อย่างจริงแท้นี้คือผู้ประพฤติธธ ร, รมจนพ้นวิปลาสสามสามารถมีที่พึ่งอันกเกษมเขมังอันเป็นมงคลที่38สูงสุดในาศาสนาพุทธกรรมของตนที่สั ม, มาทิฏฐิ จึงสามารถพาตนบรรลุที่พึ่งอันเกษมได้กรรมปฏิสารโนโด้วยประกาชนี้ตนทำกรรมอย่างไรตนจึงต้องพึ่งกรรมของตนที่ตนเป็นผู้ทํำนั้ น, น, นเป็นที่พึ่งจริงสุดไม่มีใครทําที่พึ่งให้ตนจริงเท่าซึ่งมีทั้งผลวิบากที่เป็นต้นทุน ของพลังกรรมจากอดีตอันเขาได้ทํามาแล้วเรียกแบบหนึ่งว่าบารมีแบบหนึ่งว่าสันดาน